ผูท่วัสดีค่ะท่านฟังที่ครุกค่ะรายการสัสนิษฐานะนะคะสันนิษฐานาพงค่ะจะมาแทนท่านทั้งหลายในการที่จะกราบนักสการ์กระมหาปัยบุญอภิปุณโญจากวัดปาดอนหายสูดอนธานีทางคําถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านฟังทุกๆ ท, ท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่จะทำให้เราเข้าใจคําสอนของพระศาสดาพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น แล้วก็จะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้ใช้ประโยชน์จากธรรมะของพระศ า, าสดาให้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเราไปกราบน้อมักการท่านพิบูรณ์กันก่อนนะคะกราบน้อมักการกับท่คะใ่พานค่ ะ, คะเดี๋ยวนี้ท่านก็หนักหน่อยนะคะเพราะว่าคอสปฏิบัติติดกันรวดเลยสมคอสใช่คือเรื่องความเหนื่อยเมื่อยก็ธรรมดา ก, ก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ได้ทาก็คือว่า ได้นั่งสมาธิได้อ่านพระสูตรได้ทำความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้อรตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะก็ใครได้มีโอกาสไปสัมผัสอย่างกับที่ท่านได้พูดว่ามีคอร์ส3ามคอร์สเนี่ยท่านฟังเชื่อไหมคะดิฉันเองไปปฏิบัติคอร์สก่อนนู่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไปเจอครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีพี่ชายพี่สะั้ยเขาเดินทางมาปฏิบัติหลายครั้งแล้วและตอนนี้ เขาก็อยู่ในฐานะเป็นน้องเนี่ยก็มาเป็นคู่สามีพัญญามาปฏิบัติจากประเทศอังกฤษและดิฉันได้ทราบว่าครั้งที่ผ่านมาหรือว่าครั้งนี้ก็ไม่ทราบนะคะก็ส่งลูกมาเอาลูกมาขอเข้าคอร์สแสดงว่าได้เห็นประโยชน์อย่างยิ่งถึงได้ทํากันเป็นล่ําเป็นสรรเป็นอุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะได้ยินว่าในครอบครัวซึ่งบริหารร้านอาหารอยู่ที่นั่นสองสาสาขาเนี่ยก็จะให้พนักงานเนี่ยได้มีโอกาสเสรธรทำปฏิบัติธรรมด้วย มีรังวงรางวัลให้ด้วยอแล้วเราละ่ะโดยเฉพาะเราอยู่ประเทศไทยนี่นะคะจะเสียโอกาสกันไปทําไมนะคือคือตอนนี้ถ้าเราจะพูดถึงโอกาสในการที่เราจะได้พบได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยโอกาสนี้เราไม่มีแล้วค่ะนะแล้วกเ็เหลือแต่คําสอนที่ท่านทิ้งเอาไวนะ้เราสาวกที่มีความสามารถสูงสูงเช่นท่านภาษาบุตรหรือท่านพระหมหากัะสปะเนี่ยเราไม่ได้พบไม่ได้เจอท่านเหล่านั้นแล้ว แต่เลยแต่คํารรสอนที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้เราจึงคุณจะต้องเอาคําสอนเหล่านี้มาแม่ใช่ให้มันดีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยล่ะค่ะดิฉันก็ได้มีประสบการณ์จากการที่ใช้ชีวิตมาจนอายุป่าเนี้ยนะคะอื ม, มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์น่ยมันมีความทุกข์อยู่ในทุกขณะแล้วก็บางทีบางครั้งบางคนก็คิดว่าแน่มากพอแล้วที่จะรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ อาจจะทวนเซไปบ้างซึ่งดีที่สุดเลยก็คือการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมมาเมื่อไหร่อย่างน้อยก็ตั้งการ์ดได้ทันนะค ะ, ะและการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดดิฉันเชื่อว่าการที่รู้จักธรรมะของพระาศาสดาและจะได้หยิบฉวยเอามาปฏิบัติได้ทันหรือว่าเป็นการปฏิบัติแบบออกกาลังกายเนี่ย น, นะคะจะทาให้ป่วยไข้น้อยร่างกายแข็งแรงนี่ก็ออกกาลังจิตจะทาให้ จิตของเรามันเข้มแข็งใช่ ค, ความความเชื่อแบบนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินั่นะคือการเห็นในลักษณะที่ถูกต้องนะ ค, คนที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นะคือเขาสามารถที่จะตั้งจิตขึ้นได้พนะระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเปนเหมือนกับรุ่งอรุณนะรุ่งอรุณก็คือแสงเวลาพระอาทิตย์ก่อนพระอราทิตย์จะขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแสงสีทองหรือแสงสีขาวที่ขอบฟ้า ใช่ไหมแล้วก็จะค่อยเห็นพระที่ค่อยๆแย้มมาจนกระทั่งเต็มดวงขึ้นมาค่ะแต่คนที่มีความเชื่อแบบนี้ลักษณะว่าเออมันมีความทุกข์อยู่ทุกขนาดแบบเนี้ยี่ให้มั่นใจได้เลยว่าต่อไปต่อไปเขามีความเชื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทําการปฏิบัติให้ดีขึ้นดีขึ้นจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำที่สุดแห่งทุกได้ค่ะนะคะและรายการนี้เราก็คาดหวังจะเป็นทางในการที่จะเชื่อมต่อ ให้สะดวกสบายกันมากยิ่งขึ้นในการเข้าถึงคําสอนที่จะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นพึ่งตัวเองได้ด้วยการพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะอ mm hmm. ดิฉันว่างๆก็นั่งเปิดหนังสือพิมพ์ไปเจอข่าวน่ารักดีนะคะ yeah, ข่าวเกี่ยวกับพระและสุนัข mm hmm. คืออะจะเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือจะทำให้คนเราสามารถที่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นนักข่าวเองได้ mm hmm. เขาก็ไปส่งภาพ ที่ได้พบว่ามีพระสงฆ์วัดหนึ่งแถวแถวโนนหรือไงเนี่ยค่ะนนทับุรีอ่าเลี้ยงสุนัขไว้เป็นจํานวนมากเลย<อ>แล้วสุนัขเนี่ยก็รู้สึกจะแสนรู้หลายตัวสามารถจะคาบโน่นคาบนี่ไปให้พระได้นะคะอคนข้างนอกที่รักสุนัข ก, ก็พากันเข้ามาดูเข้าพาดหัวในทํานองว่าอันเนี้ยเป็นเพื่อนแท้อืเพื่อนแท้ของพระหรือเปล่าไม่ทราบดิฉันก็เลยสงสยัยขึ้นมาเอม เพื่อนแท้เนี่ยพระพุทธองได้ตรัสเอาไว้ว่าความเป็นเพื่อนแท้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าอันนี้มันจะมีสำนวนของฝรั่งเขาอยู่คุณโยมเดียวที่ก็บอกว่า man best friend เนี่ยคือสุนัขนั่นเอง dog is a man best friend ค่ะ <c oughs> ก็เลยคงจะเอาสำนวนนี้มาเล่นเป็นข่าวล่ะ <c oughs> ว่าา oh, <c oughs> ดูสิอย่างพระก็คงยังจะมีเพื่อนที่เป็นสุนัขนะ best friend ได้ แลถามจริงๆนะคะเด้งก็สงสัยนะครับเพราะเรื่องสุนัตกับเรื่องคนมันเรื่องใกล้ชิดกันอืหรือเรื่องสัตว์ที่แสนรู้น่ารักทั้งหลายเนี่ยบางคนยังเห็นสัตว์ ร, ร้ายเป็นสัตว์ ร, ร้ายสําหรับคนทั่วไปเป็นสัตว์แสนรู้เลยนะคะเช่นเห็นเสืออเห็นงูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงพระกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยพระผู้ทงได้บัญญัติยังไงไหมไหมคะอนุญาตให้เลี้ยงไหมอนุญาตให้เลี้ยงเรื่องสมุติรับพวก แพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาพวกนี้ยรับมาในลักษณะที่ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างนี้ไม่ให้รับนะเก็บไม่ได้เก็บถ้าสมมุติว่าเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะอันนี้คือไม่ไม่ใช่ลักษณะนั้นนะจะจะทําอย่างนั้นไม่ได้เก็บสัตว์เลี้ยงพวกนั้นไว้ไม่ได้รับได้แต่เก็บไม่ได้หรือรับไม่ได้เลยรับก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ได้นะคือสมมุติว่าคุณจะขายหมาแล้วมีหม้ายยะเลยแล้วจะขายอันนี้ตัวนี้สามพันตัวนี้ห้าพันอันนี้ไม่ได้ค่ะ แต่วในในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนะ ใ, ให้เราให้ภิกษุเนี่ยให้ทุกคนนั่นแหละนะเป็นผู้ที่กรุณาเอนดูเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายเราก็ต้องอยา ก, กักขังหลวงเหนียวมันนะคือถ้าเอนดูกรุณาไปกักขังหนลวงเหนียวอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนะการที่ขังมันไว้หรือว่ากักขังหลวงเหนียวอันนี้เป็นลักษณะที่มันจะมีความแปดเปื้อนศีลเราจะไม่ไม่เต็มที่นะยังมีความทุความด่างความปร้อยอยู่ แตนะที่นี้ว่าในเรื่องของสัตว์เองนะตัวสัตว์เนี่ยเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งลนะที่ยังมีราคาโทสะโมหะทีนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าสัตว์ที่เราจะเลี้ยงเอาไว้ด้วยความกรุณาด้วยความเมตตามันเนี่ยจะมีภาระมากหรือน้อยเท่าไหร่ยังไงนะนี้คงจะต้องพิจารณาแต่ละท่านแต่ละคนไปนะแล้วในเรื่องของที่จำนวนฝรั่งที่เขาพูดถึงว่าเป็นเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์เนี่ย ทำไมก็ถึงพูดอย่างนั้นแต่มาเคยไปอ่านเรื่องนี้อยู่นตะ่เพราะว่าหมาเนี่ยนะหรือสุนัขเนี่ยเวลาที่เราจะทํำยังไงก็ตามมันก็ยังรักเรานะเราอาจจะทําไม่ดีกับมันแต่มันก็ยังรักเรามันก็กระดิกหางหาเราอยู่ตลอดเวลานะมาคอยเล่นมาคอยทําอะไรให้เราสบายใจนะไม่ว่าเราจะด่าว่าเขายังไงแต่ยังให้อ่านเขากินอยู่เขาก็ยังจะรักเราอยู่อันนี้เขาเลยพูดตํานองว่าสุนัขเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์ ยังจะช่วยในความตามความสป็นธรมาตของมันด้วยแตนะ่ทีนี้ในคําว่าเพื่อนในที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าเป็นมิตรนะก็คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือการเลียนมิตรแตการเลียนมิตรหนึ่งในข้อปฏิบัตินะที่การเลียนมิตรจะต้องมีกันเนี่ยก็คือรักษาคนที่มีความประมาทนะรักษาคนที่มีความประมาทให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้นะให้เขาไม่ประมาทได้ ดังนะนั้นถ้าเราจะพูดถึงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าจะพูดถึงคนที่เป็นเป็นเป็นเพื่อนเราเป็นคารวาสอาจจะอายุมากกว่าหรืออาจจะอายุน้อยกว่าที่มีคุณสมบัตินะมีศีลเป็นคนดีรู้จักเกื้อกูลกันพวกนี้เป็นมิตรได้ทั้งสิ้นเลยนะนี้คือในระดับแรกพูดถึงว่าคนทัท่วไปนะหรือในระดับถัดมา แต่คุณจะเอาครูบ า, าจารย์หรือว่าผู้ที่ทรงศีลหรือแม้แต่เอาพระพุทธเจ้าเองก็ได้นะเป็นกัละยาณมิตรของตัวเราอันนี้ก็ได้นตะคือในการที่เราจะฟังเขาในการที่เราจะเข้าไปหาในการที่เราจะเข้าไปสู่สอบถามพูดคุยในอะย่างเรามีเพื่อนเนี่ยเร า, จ ะ, าเจะไปหาเพื่อนอาจจะไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนนั่นะก็คือมีนักบวชพวกนี้เป็นกัละยาณมิตรได้นะแล้วในส่วนที่สาม นบพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงว่าเอาอริยมรรคมีองค์แปนี่แหละเป็นกัละยาณมิตรก็ได้ไม่มีเป็นเพื่อนเป็นคนคนเนี่ยก็เอาวิธีปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เป็นกัละยาณมิตรใช่ค่ะแล้วในเรื่องคุณสมบัติของมิตรนบพระพุทธเจาก็เคยเตือนเอาไว้ว่ามันมีคนประเภทที่ว่าเป็นคนเทียมมิตรนั่นก็คือแบบเป็นมิตรปลอมอ่ะทํามาเหมือนแบบเป็นเพื่อนดีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ดีนะเช่นเพื่อนหัวประจบ นั่นก็คือเป็นคนเทียมมิตรคอยประจบเรานหน้าพูดอย่างหลังพูดอย่าง <Okay. S 1> สัญญาไว้อย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ให้ไม่ได้ทําตามที่พูดไว้หรือว่าคอยแต่จะลอกลอกหรืออะไรก็เอออวยตามเป็นไปหมด <Okay. S 1> นี่คือลักษณะของคนเทียมมิตร <Okay. S 1> คือไม่ใช่มิตรแท้อันนี้ก็ต้องระวัง <Okay. S 1> สมัยปัจจุบันเราก็จะจะเคยเจอ <Okay. S 1> และแล้วตัวเราเองตัวเราเองเราก็ต้องดูตัวเราด้วยว่า ตัว เ, เองเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นการยานมิตรกับคนอื่นหรือไม่ค่ะเป็นยังไงคะเช่นว่าในข้อแรกก่อนนะก็คือพูดถึงคุณธรรมเช่นมีศีลอันนี้เป็นเรื่องแรกแล้วที่เราจะต้องมีค่ะแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติของความเป็นศีลอยู่ในตัวเราอ่าคุณมีคุณสมบัติของความเป็นการยานมิตรละข้อหนึ่งแล้วก็ถัดมาก็คือว่ามิตรเนี่ยจะต้องเตือนกันแต่บางทีต้องชี้กลุ่มซับให้กันแต่ชี้กลุ่มซับเนี่ยหมายความว่าบางทีแบบ ตรอ ง, งเตือนน่ยคือพูดไม่ดีคือชี้ข้อที่เขาอาจจะฟังแล้วไม่พอใจแต่ต้องทำนะ น, นี่คือลักษณะของมิตรเหมือนกันจะต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปนะการห้ามกันการพากันไปซึ่งบางทีมันอาจจะขัดเคลื่องกันบ้างแต่ก็ยอมทํานะไม่มีตัวอย่างในที่พระพุทธชาเล่าให้ฟังนะว่ามีนายช่างหม้อคนหนึ่งนาะยช่างหม้อคนนี้เขาชื่อว่าคติการะนะนเนึ่องด้วยจากความที่อาชีพของเขาเป็นช่างปั้นหม้อนะซึ่งเป็นอาชีพที่ตามหละ ในสมัยพุทธกาลนะน<ค>ะแล้วก็มีเขาก็เป็นเพื่อนกับมานพคนหนึ่งมานพนี่ก็คือคนที่อยู่ในตระกูลพาราหมณ์มีวรณะที่สูงหน่อยนะคนที่อยู่ในตระกูลพาราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาระคติการะในช่างม่อเป็นเพื่อนกับโชติปาละมานพสองคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนซี้กันแต่นะแต่ว่าอยู่คนละวรณนะในอิทาในช่างหม้อนี้เป็นอุปถากของพระพุทธเจ้านนิยมไปฟังตามไปให้ทานหยุดเป็นประจำแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเพื่อนเราที่เป็นมานพคนเนี้ย ชื่อโชอติปาราเนี่ยแหมเขาเป็นคนดีหนะ้าเขาก็ามีศีลตามอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่เคยฟังธรรมเลยเราจะชวนเขาไปฟังธรรมแล้วก็ชวนกันไปฟังธรรมแต่ว่าเขาไม่ยอมไปในตามาณพชื่อโชอติปาราเนี่ยไม่ยอมไปชวนครั้งที่หนึ่งก็ไม่ไปชวนครั้งที่2ก็ไม่ไปชวนครั้งที่3าก็ไม่ไปในะอย่างเช่นว่าถ้าบางทีเราชวนเพื่อนไปวัดอย่างเงี้ยชวนตั้งหลายรอบมันก็ยังไม่ไปอ้าวชวนไปวัดไม่ไปเอาชวนลองไปกินดื่มเล่นซิมันจะไปไหมเออชวนทีเดียวไป นะจ้างม้อ น, นี้เขาก็เลยทดสอบทดลองว่าให้ชวนไปวัดไม่ไปฮะเอามาชวนไปอาบน้ําดีกว่าไปไหมนะชวนไปถ้าอาบน้ําเพื่อที่จะอาบน้ําเออไปชวนครั้งเดียวเลยไม่ต้องพูดกันมากรอบก็ยังไปใช่ไหมพ อ, พอไปเสร็จแล้วนะเขาก็มีคุสลบายตรงนี้ไงว่าเพราะว่าถ้าอาบน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้วัดที่พระพุทธเจ้าจําำัญษาอยู่เนี่ยมากขึ้ น, นะ เ, หนเห็นด้วยสายตาได้พอไปสู่ที่อาบน้ําแล้ว ก็ชวนกันไปอีกเนี่ยเนวิหารของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นเองเห็นอยู่ตรงนั้นเนะี่ยเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันก็ไม่ไปเนะ่ยชวนรอบที่สี่นะก็ไม่ไปเนะ่ยจนกระทั่งรอบที่ห้ารอบที่หกก็ยังไม่ไปเนะี่ยจนรอบที่หกไม่ไปชวนรอบที่เจ็ดนี่จับผ้าผ้าเตี่ยวคาดเอวเนี่ยจะฉุดให้ไปให้ได้อันนี้คือรอบที่เจ็ดนะอิตาโชติปลาลมานบก็ไม่ไปอะ่ะทําไมจะไปเจอสมณะ์ล้นไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์มีความคิดว่าอย่างนั้นค แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนดีกันนะซึ่งอิตาช่างหมอ่อก็มีความคิดว่าแม้แต่มานุคนนี้เขามีปัญญาถ้าเขาได้ฟังทำในคงจะดีเอาเราจะชวนเขาแลนะ้จับผ้าเดี่ยวดึงลากไปก็ไม่ไปนะสลัดตุดออกได้เพราะอิตามานุษ์นี่เขาตัวใหญ่กว่ามีความแข็งแรงนะเขาก็ทําโดยลักษณะที่ให้ในายช่างหมอ่อเนี่ยปล่อยให้ได้นาะยช่างหมอ่อนะรอบที่7ชวนก็ไม่ไปรอบที่แปนี่จับมวยผมเลยนะจับไม่ผมจะฉุดไปให้ได้นะอิตามานุนี่ก็คิดว่าโอ้โหนี่มันจับ ผมกันเลยฮนะมันจะเอาเป็นเอาตายกันเลยหรือเนี่ยข้นะาวที่8นี้เราก็เลยยอมไปตอนยอมไปเนี่ยไปถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ไว่ายด้วยนะไปแล้วก็นั่งเฉยๆนะไม่ไว่ายไม่กราบในตาช่างม่อไปถึงก็กราบมับๆๆแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงทําให้ฟังพระพุทธเจ้าก็แสดงทําเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องสวรรค์อะไรพวกนี้ให้กับทั้งสองคนนี้ฟังนะปรกากฏว่า อิตามนบโชติปาลานีฟังธรรมคราวนั้นเนี่ยโหมีความแจ่มแจ้งขึ้นมามากมีจิตที่คิดจะบวชเลยแล้วภายหลังก็ได้บวชบวชแล้วก็ไม่สึกด้วยนายตายคาผ้าเหลืองในชาตินั้นโอ้ค่ะซึ่งอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการที่ว่ามีเพื่อนดีเน่ซึ่งบางทีทําสิ่งที่เราไม่ได้พอใจเนี่ยทําสิ่งที่ขัดเคืองใจเราต้องเจ็ดรอบแปดรอบชวนกันแล้วไม่ไปถึงขนาดดึงผ้าเตี่ยวไป ถึงขนาะดต้องจับผมมวยผมพาไปอย่างเงี้ยถึงจะยอมไปนะแต่สุดท้ายได้ประโยชน์ซึ่งบางทีเพื่อนเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอคอยเตือนกันนะคอยเตือนกันซึ่งในระบบของความเป็นภิกษุเองเป็นพระเองเนี่ยก็จะมีระบบของการที่คอยตักเตือนซึ่งกันและกันนะซึ่งใน ป, ปีปีหนึ่งก็อาจจะมีอยู่รอบหนึ่งซึ่งในช่วงปรรษาก็จะมีการตักเตือนกันเปิดโอกาสให้คหนอื่นตักเตือนตัวเราได้อย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นเพื่อนดีเนี่ยคุณโยมติวพระพุทธเจ้า บอกว่าเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยแต่คือถ้าเราหวังหวังอะไรคุณหวังอะไรในธรรมะวันในนี้ความเป็นพระอาหารหันเนาะคุณต้องมีเพื่อนดีแต่คุณต้องมีเพื่อนดีนะ ม, นดมีมิตรดีแตนะ่ซึ่งมีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีมันไล่มาตั้งแต่แน่นอนเรื่องของในใจคือคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรื่องของภายนอกคุณต้องมีมีเพื่อนผู้ประพฤติพรมจรย์นัำนะด้วยกันที่ดนะีเรื่องของภายนอกอีกก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดี ที่จะคอยบอกแล้วเราจะเชื่อฟังแก้ไข ป, ปรับปรุงตัวค่ <c oughs> นะ น, นี่สําคัญมากคือบางทีเราคนเขาเตือนเราแล้วเราอาจจะไม่ฟังก็ไดนะ้คือถ้าเราแบบประมาทพลาดพลัง้งเผ ล, ลอเลยเฮ้ยเธอเป็นใครทําไมมาเตือนนี่กับฉันไม่ฟังหรอกแต่คนะวามที่เราไม่ฟังไม่เอือ้อเฟื้อเชื่อฟังไม่เอือเอ้อเฟื้อระเบียบเนี่ยมันบางทีทําให้เราพลาดได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามีคนที่เราจะฟังนะคนที่เราคิดว่าไอ้คนนี้เป็นกรนนัรลายมิตรของเรา เพื่อนเราพูดหน้าเราควรจะฟังแต่ตรงนี้คือเป็นการเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันนั่นจะทําให้ดีขึ้นมาได้จะทําให้มีความก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นเรื่องการันตมิตรเนี่ยสําคัญมากเลยในธรรมะวินัยนี้ค่ะนะคะและสําหรับการที่เราจะมีเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเราก็ควรที่จะเหมือนกับเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาด้วยใช่ แล้วก็ในความเป็นเพื่อนดีเนี่ยเถ้าสมมุติว่าเราพยายามจะไปหาหาคนนั้นหาคนนี้โอ้ไม่มีเพื่อนดีเลยพระพุทเจ้าก็เคยพูดไว้อีกนัยยะหนึ่งนะว่าถ้ารอบตัวเรามีแต่คนพาลเต็ไมไปหมดเลยเนี่ย เ, เราก็เอาธรรมะนี่แหละเอามาร์กแบดนี่แหละเป็นกรเลยน้มิดแล้วก็ไปคนเดียวซะเป็นเป็นลักษณะนี้ก็มีนะคือคําว่าเพื่อนดีใช่คําว่าเพื่อนดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนหัวดําหรือว่าเป็นนักบวช แต่หมายถึงสิ่งที่เป็นธรรมะด้วยแล้วก็ถ้าบว่าไม่มีใครเลยก็ไปคนเดียวชาติแล้วก็ให้มีธรรมะเป็นกัลยาณมิตรของเรากัลยาณมิตรจริงๆพระพุทค์นี่จัดได้ว่าสอนเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนไว้เยอะเหมือนกันนะคะใช่มีความละเอียดรอบครอบมากเพรา ะ, ะว่าในโลกใบนี้นี่ดิ้งคิดว่ามนุษย์เกิดมาเมื่อมาอยู่กันหลายๆคนในที่ที่ใกล้ๆ ก, ลกัน ก็ต้องถือว่าเป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนั้นการอยู่แบบรู้ควรรู้อยู่เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็รู้ว่าจะอยู่กับใครอยู่อย่างไรใช่ซึ่งข้อปฏิบัติต้องนี้พระพุทธเจ้าได้แยกแยะแจกแจงเอาไว้หมดเลยนะคุณโยมติยวค่ะได้เคยพูดถึงเรื่องของของการปฏิสัมพันธ์อย่างที่คุณโยมเติยวว่าเนี่ยในด้านหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะมีเรื่องของเพื่อนอยู่ เรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องอื่นๆเช่นมารดาบิดาลูกเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องเจ้านายพวกนี้ยจะสอนไม่หมดแต่ส่วนในเรื่องของความเป็นเพื่อนได้สอนเอาไว้มีหน้าที่อยู่หอย่างอันนี้ที่พูดถึงเรื่องของทิศทั้งหน ะ, ะนะ ไ, ดได้พูดถึงเรื่องของเพื่อนแล้วในทิศทั้งหอยูนะ่ในทิศเบื้องซ้ายในได้ตรัสถึงเรื่องของมิตรสหายนะปฏิสัมพันธ์ที่เราควรจะต้องทํากับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่เพื่อนข้างบ้านหรือว่าเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กแต่ ก, ก็ตามเนี่ยแตนะ่ถ้าเราเห็นเขาว่าเป็นมิจฉายแล้วเนี่ยควรจะอนุเคราะห์กันอุปการะกันนะด้วย5ลักษณะนี้นะคือข้อที่หนึ่งด้วยการให้ปันมีอะไรก็ซื้อกันมาฝากบ้างข้อนะที่2ด้วยการพูดจาไพเระนะาะกล่าววาจาที่มันพูดแล้วฟังกันขึ้นนะคําว่าพูดจาไพเราะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าการใช้ภาษาสุภาพเท่านั้นนะแต่หมายถึงว่าเป็นคําที่ให้ใจมันตั้งอยู่ได้ แตนะ่คือถ้ามีการใช้ภาษาสุภาพแต่ว่าเป็นคำที่กรีดบาดลึกเนะี่ยเสียสีเสียแทงอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคำไพเราะน ะ, ะ, ะข้อที่3คือด้วยการประพฤติประโยชน์เนะช่นบางทีอาจจะไม่ได้ให้ของกันแต่ว่าช่วยเหลือกันเช่นขับไปทรงติดรถกันไปนี่เป็นการประพฤติประโยชน์ข้อที่สนีะ่ด้วยการวางตนเสมอกันคำว่าวางตนเส ม, อ ก, กเสมอกันเนี่ยก็คือวางตนให้เสมอในหน้าที่กัน เช่นในกรณีบางอย่างมีกิจกรรมช่วยกันเราก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องและในข้อที่5ก็คือไม่กล่าวคำเป็นเครื่องให้แตกกันและถ้าบอกว่าเราเจอคนไหนที่เขามีคุณสมบัติ5อย่างนี้แล้วก็าปฏิบัติกับเราอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยเรายิาง่งควรจะต้องคบเขาเป็นมิตรเลยลเพราะว่าคนแบบนี้หายากน ะ, ะแล้วก็เราควรจะทำยังไงกับเขาหล่ะคนแบบนี้เราก็ควรจะต้องเราก็ควรจะต้องนับถือสมาชิกในในครอบครัวของเขา <Okay. S 2> นันตื่นสมาชินในครอบครัวองเขนี่คือข้อที่1นึนนข้อที่2ถ้าบอกว่าเขาอยู่ในความประมาทนะตั้งอยู่ในความประมาทเช่นเล่นการพ น, นันหรือว่าดื่มสุราเมรัยหรือว่าทําสิ่งอะไรที่มันจะทําให้เกิดความประมาทเราต้องรู้จักเตือนเขานะคอยบอกกันแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเตือนแล้วคอยบอกแล้วบางทีไอ้ความประมาทนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราก็ควรจะต้องช่วยเขารักษาทรัพย์สินเงินทองของคนที่ประมาทนั้นด้วยนี่คือข้อที่3 แล้ในข้อที่4เนี่ยถ้าบอกว่ามีภัยใดๆเกิดขึ้นก็ให้เป็นที่พึ่งกันได้แล้วข้อที่5ก็คือไม่ทอดทิ้งในเวลาที่มีอันตราย น, น, นี้เราควรจะคบเ้าเป็นเพื่อนแล้วก็กระทําตอบแทนในลักษณะนี้นันถือว่า เ, อาเรามีเพื่อนดีที่หายากแล้วก็ควร <Okay. S 1> จะรักษาเอาไว้ในการปฏิสัมพันธ์ในทิศ น, นั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอันนีเน้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนกับขบ้าราชการคนหนึ่งมีการแบบกราบไปทั่วทิศกราบไปทางทิศเหนือทิศใต้ คือพ่อเขาก่อนตายเนี่ยเขาชื่อว่าสิงคาลิกะเครบดีนะก่อนตายเนี่ยพ่อเกาสอนบอกว่าลูกให้เคารพทิศนะแล้วก็ตายไป oh. นะลูกก็เลยคิดว่าโอ้พ่อสอนไว้ก่อนตาย เ, าเราจะปฏิบัติตามคําพ่อก่อนตายให้เคารพ oh. ทิศงั้นเราก็กราบไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออก พ, อพระพุทธเจ้ามาเห็นว่ า, อ, าอิมอร์นี่ทําอะไรวะทำไมมันไหว้เป็นตัวทิศตัวแดน เน่ก็เลยเล่าเรื่องที่พ่อสอนเอาไว้พระพุทธาก็เลยบอกืมมันในอริยวินัยนี้เขาไม่ได้เคารพทิศกันอย่างนั้นเนก็เลยแจกแจงให้ว่าก็คือเรื่องที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวเรานั่นละพ่อแม่เราควรจะทํำยังไงเพื่อนเราจะทํายังไงลูกเราจะทํายังไ ง, ง, ไงก็มาเป็นที่มาในประสูตรนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วดิฉันเข้าใจว่าคนเก่าคนแก่เวลาเขาบอกให้ทําอะไรเนี่ยจะมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังแต่ทีนี้ ก็คงจะมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่คนในรุ่นหลังทำโดยทำแต่รูปแบบแต่ไม่เข้าใจไปถึงว่าเพราะเหตุใดจึงต้องทำมันรวมถึงต้องมีพฤติกรรมที่จะทำให้ในสิ่งที่เราทำนั้นดีขึ้นด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าสมมุติอย่างไหว้วนทิศอย่างนี้เราถึงจะเกิดผลถูกไหมคะใช่ใช่นะสับที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือว่าการเคารพทิศนะเคารพด้วยการปฏิบัติในห้าอย่างนี้ ถือว่าเราเคารพทิศและรักษาทิศแล้วแลนวในเรื่องของความเป็นเพื่อนดีที่คุณยมติว่าเนี่ยถ้าสัตว์บางประเภทสัตว์บางประเภทเนี่ยบางทีมันก็รักษาเราจากความที่เราจะไปประมาทนะค่ะอย่างหมามันดีมันก็แสนรู้อ่ะว่าตรงนี้มันจะเกิดอันตรายมันก็คอยเห่าคอยเตือนเราค่ะเช่นบริเวณนี้มันจะมีงูหรือสัตว์ร้ายบางทีมันก็เตือนเราอันนี้ก็ถือว่าเราก็คบมันก็ได้เหมือนกันนะถึงแม้มันจะเป็นหมาก็เป็นหมา ที่เป็นสัตว์ที่ยังมีความเป็นอาชาณีมีความดีอยู่ค่ะที<ม>ฉันก็เชื่อว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวคนบางคนมีปฏิเสธมนุษย์เลยนะ ค, ะอะคือเหมือนกับว่าพบแต่มนุษย์ที่ไม่ดีนะก็เลยคิดว่าคบสุนัขดีกว่ามีบางคนเป็นอย่างนั้นค่ ะ, ะแล้วเวลาที่ในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการที่เราจะเก็บสัตว์เอาไว้เนี่ยประเด็นที่พระรุเจ้า พูดถึงก็คือว่าไม่ขังมนันเอาไว้ไม่ได้มีพันธนาการให้มีความเมตตาความกรุณาแล้วก็สัตว์เนี่ยบางทีก็เป็นไปตามกรรมของเขาการที่เราบางทีอาจจะไปคิดว่าเขาตายไปแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีก็เกินความที่เราจะต้องไปกังวลตรงนั้นแต่พอมันก็สัตว์ก็เป็นไปตามกรร ม, มนะค่ะเดี๋ยว่ฉันคิดว่าบางคนรักสัตว์ก็เหมือนกับผูกพันนะคะ ถ้าคนในครอบครัวเรายังอยากมชาติหน้าใหญ่จะไปเจอกันอีกออืบางคนก็ไม่เอาล้อยากจะไปเจอไก่หมาน้อยของเราเนี่ยอืมตรงนี้แหละคือก็เรียกว่ามีตันหามีความอะไรเกิดขึ้นไหนตอนตันหาความอะไรเนี่ยจะทําให้เรามีความทุกข์ได้นะเวลาที่เขาตายไปนั่นคือสิทธาทีนี้สมมุตินะคะเราก็มีความรู้สึกว่าก็ชาตินี้มันอยู่กันคนลาส ป, ปีชีนะคะเราเป็นคนเขาเป็นสัตว์เนี่ยชาติหน้าในเมื่อหน้ารักกับเรา ยิ่งกว่าลูกเราซะอีกยอะไรเงี้ย น, นะคะ เ, เกิดมากขอให้เสมอๆกันแต่ เ, เขารักษาศีลไม่ได้ทําไงครับท่านการตัวนี้ต้องปล่อยวางสิแต่นะเพราะว่าตรงเนี้แสดงว่าเรามีความอยากเกิดขึ้นนะความอยากนี้เป็นแห่งของความทุกข์นะเพราะว่าเราจะไม่ได้อย่างที่เราปรารถนากแต่แสดงว่าไอ้ตอนที่คุณรักเขาเนี่ยคุณถูกแทงด้วยลูกศรคือตระหนัแล้วแต่นะแล้วพิษของมันคืออวิชามันจะออกแต่นะพิษของมันอวิชามันจะออกตอนที่เขา ความจริงมันปรากฏแต่ความจริงปรากฏคือความตายเป็นต้นแตนะ่ความที่ต้องพัดพรากจากกันเป็นต้นอายุมไม่เท่ากันเขาจะต้องไปคนละที่กรรมมันต่างวาระกันแลนะ้ก็มันก็บางทีพยากรณ์ไม่ได้พยากรณ์ได้ยากนะซึ่งตรงนี้เราจึงต้องอทําความปล่อยวางให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้นะถอนลูกศร อ, ออกให้ได้นะ่ะคือตอนต้ณหาออกให้ได้นะ่ะใส่ยาให้ดนะีตั้งสติให้ขึ้นเราถึงจะสามารถที่จะอย่างน้อยเราไม่มีความทุกข์เท่ากับว่า ถ้าในกรณีเช่นนี้นะคะต้องวางใจตั้งแต่ต้นเลยไหมคะว่ า, าแต่ละชีวิตก็เป็นเรื่องของเขาใช่นะคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอยู่เนืองๆ น, นะว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นป่าวันนนะให้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆในข้อนี้ เราจะกลายความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้พรไม่อย่างนั้นแล้วแทนที่จะมีความสุขจากการที่ครั้งหนึ่งได้มีชีวิตร่วมกันกับเจ้าสุนัขแสนรู้เมื่อตายไปจะกลายเป็นว่าควา ม, ม, วามทุกข์จากการพลาดพลาดนั้นมาครอบงำต่อไปซะอีกใช่ก็ต้องทําความเข้าใจกันให้ดีบางคนก็เลยบอกก็พยายามอยู่ ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่พาสุนัขเข้าห้องพระเวลาฉันไหว้พระทุกวันเลยอืมให้ไหว้ด้วยกันสุนัขมันตัวก็แสนรู้นะแสนรู้เขาก็ทราบว่าทําอะไรอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งขนาดนั้นออื <c oughs> สรุปนะคะสรุปเลยหัวรายการกําลังจะหมดเวลาวันนี้ได้กล่าวเรียนถามท่านไิบูลถึงเรื่องของมิตรที่พระพุทโธได้ตรัสสอนไว้จุดประกายมาจากการที่ได้เห็นข่าว คิดว่าพระสงค์มีสุนัขแสนรู้เป็นมิตรแท้ก็ยังได้ความรู้อีกว่าอ่านักบวชนั้นไม่สามารถที่จะรับและเก็บสัตว์เอาไว้ได้นอกจากให้ความเมตตาเอ็นดูกรุณาแล้วก็อยากกักขังนวงเหนี่ยวจะบอกอืมใช่ตรงที่เก็บเนี่ยวหมายความว่าเก็บเป็นทรัพย์สินอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะอืเก็บเป็นทรัพย์สินไม่ได้ถ้าจะเลี้ยงด้วยความ เมตตากรุณาอันนั้นก็ต้องมีอง <condition S 1> คอน d i t i o n ว่าไม่ขัขงนูนเหนียวมันค่ะแล ะ, ะถ้าเป็นมิตรในแง่มุมอื่นๆแล้วมีเยอะแยะมากมายจำแนกว่ามิตรดีเป็นอย่างไรมิตรไม่ดีเป็นอย่างไรใช่แล้วเรามีหน้าที่อะไรที่จะปฏิบัติตนต่อมิตรทั้งหลายและเมื่อเราปฏิบัติเช่นนั้นแล้วมิตรควรจะปฏิบัติ ต, ตอบต่อเราอย่างไร สุดท้ายถ้าหาไม่ได้เลยมิตรดีๆก็ให้ไปคนเดียวโดยมีอริยมรตมีองค์แปดเป็นการยานมิตรเยี่ยมผ่านถูก้องนะคะวันนี้ก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูเปอย่า ย, ยิ่งค่ะเยี่ยมผ่านท่านผู้ฟังที่ครับค่ะรายการสัม ส, น, ส น, นานะคะเราก็อยากจะให้ท่านได้หลายแง่หลายมุมชีวิตของการมีมิตรเนี่ยดีนะคะแล้วก็การที่จะมีมิตรที่ดีนั้น ังอยู่เฉยๆไม่ดีจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติต่อกันที่เหมาะสมพระพุทโธสอนไว้หมดแล้วและมิตรที่สำคัญมากนะคะไปกับเราถึงในตอไหนได้เลยนั่นคือกัลยาณมิตรแม้เราจะไม่มีใครเลยกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีที่สุดค่ะติดตามรับฟังรายการสัสนิสนทนานะคะดำเนินรายการโดยสัสนินานพงษ์และพระมหาภาบับุอภิปุโนทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟกันได้ เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโดยจันทร์ถึงจันทร์ถึงพุธนั้นท่านพิบู์ก็จะได้แสดงธรรมของท่านโดยลาพังส่วนพฤหั ส, สบดีและวันศุกร์จะเป็นวันที่สนทนาโดยที่ท่านก็จะตอบคำถามต่างๆด้วยคำสอนของพระาศาสดานะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทโธสวัสดีคะ่ะ